เทวภูมิเราพร้อมจะตายไปกับความรู้สึกศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือยังเราเป็นผู้มีความอุ่นใจสบายใจมั่นใจว่าตนเองพรักพร้อมในการไปสู่โลกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่แล้วกรรมที่ทำเป็นประจำอันใดสร้างความอุ่นใจสบายใจมั่นใจว่าเรากําลังจะไปสู่สุคติ ถ้าคุณเป็นผู้ถามตนเองได้และตอบตัวเองถูกก็สันนิษฐานเลยว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างสบายใจไม่ต้องห่วงตัวเองเลยว่าจะตายเมื่อไหร่ที่ไหนและอย่างไรในเมื่อเทวภูมิปรากฏแก่ใจตลอดเวลาอยู่แล้วพุทธพจน์ เทวภูมิเปรียบเหมือนปราสาทมีเรือนยอดซึ่งฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกหาช่องลมมิได้มีวงกรอบอันสนิทมีบานประตูและหน้าต่างปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบันลังอันลาดด้วยผ้าโกเชาขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดทําด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมด เหนือบัลลังก์มีเพดานกั้นอยู่บัลลังก์นั้นมีหมอนแดงวางทั้งสองข้างดังนี้ย่อมให้ความร่มเย็นสบายแก่ผู้กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายถ้าเดินอยู่บนทางที่จะนำตรงมาประสาทนี้ได้ในที่สุดเขาก็จะพักผ่อนเสวยสุขเป็นอันมากแม้ยังหิวกระหายอยู่ก็ตามจากมหาสีหนาสูตรผู้ประพฤติธรรมด้วยกาย วาจาใจพึงหวังว่าตนอาจเข้าถึงได้ทั้งความเป็นพวกกษัตริย์เศรษฐีเทวดาระดับต่างๆที่ยังคล้องอยู่ในกามตลอดไปจนถึงเทวดาระดับพรหมมีรูปกายที่ประศสจากกามและพรหมไร้รูปกายที่มีแต่จิตการประพฤติธรรมด้วยกายได้แก่ 1. เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์2 เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมีได้ให้ 3. เว้นขาดจากการสมสู่ในหญิงมีเจ้าของการประพฤติ ท, ทำด้วยวาจาได้แก่ 1. เว้นขาดจากการพูดเท็จ 2. เว้นขาดจากการยุยงส่อเสียด 3. เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 4. เว้นขาดจากการเพอร้อเจอ้อเลื่อนลอยการประพฤติธรรมด้วยใจได้แก่ 1. ไม่เป็นผู้เพ่งเล็งทรัพย์ผู้อื่นด้วยอาการอยากได้เป็นของตน 2. ไม่เป็นผู้ผูกใจเจ็บด้วยอาการประทุษร้าย 3. เห็นชอบว่าผลของทานมีผู้รู้ที่สอนให้รู้ตามได้มีอยู่จากเวรัญชกะสูตร ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูเหล่าเจ้าลิชวีที่กำลังดำเนินมานี้เป็นตัวอย่างเธอจากพระวินัยปิฎกมหาวักภา ค, ภาคสองเรื่องเจ้าลิชวีชาวพระนครเวสาลีคำให้การของเทวดาข้าพเจ้ามีนามว่าชนะวสภะ อดีตคือพระเจ้าพิมพิสารมาบัด น, นี้ข้าพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นสหายของท้าวเวสวรรมหาราชจากชนะวสภสูตรดิฉันเคยอยู่ในหมู่บ้านชื่อนระกะคามนามว่าเสาสวดีเป็นผู้มีใจชื่นบานได้ก่อสร้างกุศลกรรมไว้คือได้บูชาพระาธาตุของพระธรรมเสนาวดีนามว่า อุปติสัตย์อันเป็นที่บูชาของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ผู้นิพพานแล้วเหลือเพียงอธิธาตด้วยให้ดิฉันบูชาด้วยเครื่องสักการะหลายอย่างล้วนแต่รัตนและดอกคําครั้นดิฉันละกายมนุษย์นั้นแล้วได้มาเกิดในดาวดึงสวรรค์ชั้นไตรทศอยู่ประจำวิมานในเทวโลกอันน่ารื่นรมเกิดขึ้นด้วยบุญมุงและบังด้วยขายแก้ผลึก ขายเงินและขายทองคําทั่วบริเวณเต็มไปด้วยต้นไม้มีผลวิจิตนานาพันธุ์เป็นระเบียบมีซุ้มประตูแล้วด้วยแก้เจ็ดประการที่ลานวิมานเรียรายไปด้วยสายทองมีรัศมีส่องสว่างไปทั่วทิศไม่ต่างจากรัศมีแห่งพระอาทิตย์ประมาณพันหรือคล้ายกับการลืมตาขึ้นขณะฟ้าแลบหรือเหมือนกับแสงเปลวเพลิงซึ่งกําลังลุกอยู่บนยอดเขาในเวลากลางคืน วิมานนี้ลอยอยู่ในอากาศก้องกังวานไปด้วยเสียงดนตรีอันได้แก่พินเครื่องใหญ่กลองและกังสดานระโคมอยู่มิได้ขาดระยะอีกทั้งยังฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมล้ำหลากหลายได้แก่กลิ่นของดอกปทุมดอกโกมุตดอกอุบลดอกจงกลนีดอกคัดเขาดอกพุดซ้อนดอกกุหลาบดอกอังกาบดอกรังดอกอโศก ต่างก็แย้มกรีบทรงกลิ่นละรื่นอีกทั้งยังตั้งอยู่ริมฝั่งสะโบกขรนีอัญชวนทัศนาเรียงรายไปด้วยไม้หูกวางขนุนสมารอกับทั้งไม้เลื้อยชูดอกออกช่อหอมละรื่นห้อยย้อยเกาะกายลงมาจากปลายใบต้นตาลและมะพร้าวคล้ายกับขายแก้วมณนีและแก้วประพานอันหนึ่งต้นไม้และดอกผลทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ทั้งในน้ำและบนโบก เป็นลุกขชาติเห็นได้ในเมืองมนุษย์และไม่มีให้เห็นในเมืองมนุษย์ตลอดจนพันไม้ที่ประจําเมืองสวรรค์ก็มีพร้อมอยู่ใกล้วิมานจากเสษะวดีวิมานมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์และคาให้การของเทวดาหนางฟ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทวภูมิเหมือนปราศาสตรก็แปลว่า เป็นที่พักกลางทางกันดาลอย่างสมบูรณ์คือกันแดดกันฝนได้เด็ดขาดพักผ่อนแล้วหายเหนื่อยหายเพลียจะช่วยไม่ได้อย่างเดียวก็คือความหิวกระหายเพราะคนเรากินอิดกินปูนไม่ได้หากคุณเคยไปเที่ยวชมทิวทัศน์สวยๆที่น่าตื่นตาตื่นใจมามากก็คงทราบในบัดนี้แล้วที่อุทานกันว่าสวยเหมือนสวรรค์ น, นั้นแท้จริงแค่ทาให้คณ น, นึกถึงสวรรค์ หรือชวนฝันเกี่ยวกับสวรรค์เท่านั้นสวรรค์ของจริงเป็นคนละเรื่องทุกอย่างเป็นทิพย์ไปหมดรุ่งโรดชดช่วงตรการด้วยรัศมีทิพย์ไปหมดอะไรๆสว่างละอาตาในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งแสงอาทิตย์เลยอย่างไรก็ตามสวรรค์มีความใกล้เคียงกับโลกมนุษย์แม้เป็นเขตแดนอันคล้ายเกินฝันเอื้อมให้ถึงแต่ก็ไม่ถึงกับเกินจินตนาการมนุษย์เรา ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าให้ดูพวกเจ้าลิชวีผู้มีสิริลักษณ์สง่างามไปปัพลางเมื่อนั่งบนรถเทียมด้วยม้าอาชาในก็ราวกับปรากฏการแห่งสวรรค์ประมาณว่าดอกไม้เทียมแม้ดูแข็งไม่มีชีวิตชีวาสดชื่นได้เท่าดอกไม้จริงแต่ดูผัดผาดแป๊บเดียวก็นึกว่าเป็นดอกไม้จริงได้การเทียบเจ้าลิชวีกับเทวดานั้นคงทําให้หลายคนสบายใจว่า ที่จะไปเจอข้างบนก็ไม่ต่างจากเคยๆ ค, คุ้นๆเหล่าเทพเจ้าไม่ได้มีแปดขาไม่ได้มีปากอยู่ตรงลิ้นปีกมนุษย์มีองค์าพยบอย่างไรเทพเจ้าก็มีคล้ายอย่างนั้นต่างแต่ว่าปุ่มปมและจุดบกพร่องอันเกิดจากของหยาบทั้งหลายจะหายไปมีแต่ความเรียบละมุนกลมกลึงไร้ตําหนิสะดุดตาเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ร่างเทวดาบรรดาลขึ้นด้วยอำนาจบุญฝ่ายเดียวไม่เหมือนกายมนุษย์และกายเปรตที่ถูกตกแต่งด้วยบาปบุญระคนกันและยิ่งต่างเป็นคนละโลกกับกายสัตว์นรกอันควรสังเวชเพราะนั่นถูกตกแต่งด้วยบาปแต่ทายเดียวไม่มีบุญเจือและเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากมทางใจอันเป็นต้นทางไปสู่สวรรค์ได้ทุกชั้นคือเห็นชอบตามจริงว่าผู้รู้ดีต้องมีอยู่ ก็เพราะความเชื่อเช่นนั้นนำไปสู่ศรัทธาในการสแสวงหาหรือรอคอยเมื่อสแสวงหาหรือรอคอยย่อมพบผู้ชี้ทางเข้าสวรรค์โลกนี้ไม่เคยว่างจากครูดีอยู่แล้วจะว่างนานก็แต่บรมครูอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นกรรมอันควรแก่การเสวยทิพยสุขสวรรค์สร้างจากความสว่างจัดจ้าที่ตั้งมั่น ฉะนั้นความตั้งมั่นในทานกับความตั้งมั่นในศีลจึงมีผลสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อให้เห็นชัดอาจยกตัวอย่างโดยอาศัยศีลจำแนกเป็นข้อๆดังนี้ 1. เมื่อมีเหตุยั่วยุให้ทำร้ายร่างกายกันก็ไม่คิดทำร้ายอย่าว่าแต่จะลงมือฆ่า 2. เมื่อมีโอกาส ให้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ให้ก็ไม่คิดเอาอย่าว่าแต่จะตั้งใจเอาจริง 3. เมื่อมีชายหญิงอันเป็นกู้ครองของคนอื่นมาให้ท่าก็ไม่คิดแต่ต้องอย่าว่าแต่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย 4. เมื่อมีเรื่องให้ต้องพูดร้ายก็ไม่คิดพูดร้ายอย่าว่าแต่จะพูดให้ใครเสียหายหา เมื่อมีใครมาชักชวนกินเหล้าก็ไม่คิดยอมตามอย่าว่าแต่จะกินเองในที่ลับใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นปกติได้จนตายก็แปลว่าดีเกินมนุษย์เพราะแต่ละวันมนุษย์เจอเครื่องยั่วยวนให้ละเมิดศีลกันไม่เว้นจะผ่านด่านได้หมดต้องจิตใจเข้มแข็งผิดธรรมดาจริงๆคุณจะรู้สึกจากส่วนลึกทีเดียวว่าตายเมื่อไหร่สบายเมื่อนั้น นิมิตบอกลางดีทุกอย่างจะเริ่มเป็นจริงเป็นจังเมื่อคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นสว่างสวยัยไร้ความกลัวตายแม้แต่น้อยสำหรับคนดีไม่มีอะไรน่ายินดีไปกว่าการรู้ว่ารางวัลแห่งความดีหลังความตายมีจริงเมื่อนาทีมรณะปรากฏคุณจะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามีแต่ความทรงจาดีๆผลงานของคุณคือรอยยิ้ม เสียงหัวเราะร่าเริงหรือสีหน้าสีตาเบิกบานของคนอื่นเหมือนจะไม่มีใครใบหน้าหม่นหมองห่อเหี่ยวเพราะคุณเลยความสว่างของสวรรค์เสียงดนตรีอันเป็นทิพย์กลิ่นหอมยวนใจอย่างไม่เคยสัมผัสที่ไหนบนโลกมนุษย์หรือไม่ก็หนุ่มสาวหน้าตาดีผิดสังเกตล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องหมายบอกว่าคุณกาลังจะไปดีและการไปดี ที่ปรากฏชัดกับใจคุณจะไม่ใช่สัก์แต่เป็นคำไร้ความหมายอีกแล้วคุณบอกตัวเองได้ทีเดียวว่าต่อให้มีโอกาสย้ายบ้านใหม่ไปอยู่ในย่านคฤหาสน์รอยล้านก็จะไม่ให้ความรู้สึกแสนดีเท่าตอนใกล้าตายไปสู่สวรรค์เลยสักเสี้ยวเดียวสภาพแวดล้อมของเทวดาเทวดามีความเป็นอยู่ในทางเสพสุขจากกา ร, รมกุฎห้าเหมือนมนุษย์ คือเห็นรูปอัญยวนตาได้ยินเสียงอันเรื่นหูสูดกลิ่นหอมอันร้าใจลิ้มรสอร่อยชวนน้ำลายไหลและแตะต้องเครื่องกระทบอันมีสัมผัสและเมียดชวนพิสมัยจะต่างกันก็คือกามคุณห้าของเทวดานั้นเป็นทิพย์ไร้มนทินไร้สิ่งโสโครกเจืออยู่ขณะที่ของมนุษย์เราเป็นอสุภะมีเนื้อหนังที่ฟอกสบู่ดับกลิ่น ปิดบังเครื่องในอันเน่าเหม็นไว้ไม่ต่างจากถุงใสอึที่หลอกตาด้วยวัสดุอย่างดีไม่ว่าคุณจะได้รับการยกย่องว่าสวยหรือหล่อปานเทพระดับไหนขอให้นึกถึงช่องปากของตนเองมันจะค่อยๆเน่าค่อยๆเหม็นเพิ่มขึ้นทุกนาทีคุณรู้สึกถึงรสเหม็นเน่าของมันได้และลองไม่เจอแปลงสีฟันแค่วันเดียวก็คงไม่มีใครอยากจูบปากด้วย แค่ใกล้ก็ต้องรีบเบือนหน้าหนีด้วยความรังเกียจแล้วขณะที่ช่องปากของเทวดานางฟ้านั้นหอมสะอาดไม่เลิกแม้อาหารก็เป็นรสทิพย์กลิ่นทิพย์กินเข้าไปไม่ส่งกลิ่นชวนขยะขยงได้เลยชื่อในภาวะทิพย์แตกต่างไปจากครั้งอยู่ในภาวะยาบนโลกดังเช่นที่พระเจ้าพิมพิสารเปลี่ยนพระนามเป็นชนะวะสภะชื่อนี้ คนได้ยินถึงกับขนลุกด้วยเหตุที่ท่านเป็นผู้ทรงอานุภาพมากแล้วก็ถึงความเป็นอริยบุคคลจัดเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาแต่ถ้ามนุษย์ผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปคุยกับเทพบางองค์ท่านก็อาจใช้ชื่อเดิมอย่างนางเสสวดีนั้นเมื่อพระวังคีสะไปเยี่ยมวิมานนางก็ไม่ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อแต่อย่างใดจึงทาให้วิมานของนาง กลายเป็นตำนานเล่าขานภายใต้ชื่อเสศวดีวิมานนั่นเองบารมีของทวยเทพวัดกันด้วยหลายสิ่งอย่างเช่นจํานวนบริวารก็นับแข่งกันบริวารจะเป็นหนึ่งในตัวชี้ว่าบุญที่เคยทํามีความไผ่สารเพียงใดบริวารของเทพก็คือเทพที่มีบุญต่ำกว่าไม่มีวิมานครองต้องอาศัยวิมานของเทพอื่นผุดเกิด เมื่อวิมานเทพผู้เป็นนายหายไปตนก็ต้องหายตามไปเกิดใหม่ตามยถากรรมอาจต้องไปอาศัยวิมานเทพอื่นอีกหรืออาจหลุดร่วงไปเป็นมนุษย์เป็นเกรตหรือเป็นเดรัจฉานไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรดีๆอีกการสังคมในหมู่เทพก็คล้ายกับบนโลกคือมีญาติมีมิตรสหายและมีการเลือกคู่ครอง การเลือกคู่ครองจะเกิดขึ้นเมื่อบารมีเสมอกันต่างฝ่ายต่างมีวิมานด้วยกันทั้งคู่แต่หากเป็นเทวดานางฟ้ามาผุดเกิดขอพึ่งบารมีในวิมานใครเจ้าของวิมานก็อยู่ในฐานะนายร่วมอารมณ์ด้วยได้โดยไม่ถือว่าเป็นคู่ครองขอให้เข้าใจว่าเทวภูมินี้เหมารวมไปถึงพรหมภูมิที่มีรูปและไม่มีรูปด้วย การจะเป็นพระพรหมได้ต้องมีจิตใหญ่คือยิ่งใหญ่ด้วยเมตตายิ่งใหญ่ด้วยการุณายิ่งใหญ่ด้วยมุทิตาและยิ่งใหญ่ด้วยอุเบกขากับทั้งแห้งสะอาดจากกามคุณเป็นผู้ตาจากโลกมนุษย์ขณะจิตอยู่ในฌานสมาธิใครแผ่จิตเป็นมหระครคตได้กว้างกว่าก็มีรัศมียิ่งใหญ่กว่าเราเทวดาจะปลื้มกับบุญของมนุษย์ชั้นสูง และเหล่าญาติที่ทำคุณงามความดีแต่จะไม่ถึงขนาดดีอกดีใจเมื่อญาติอุทิศส่สวนกุศลก้อนเล็กๆมาให้ตนเหมือนกับที่ไม่มีเศรษฐีหน้าไหนปราบปลืปล้มกับการมีขอทานนำเงินร้อยบาทมาให้ตนคุณต้องทำบุญอย่างใหญ่จริงๆท่านถึงจะชื่นชมโสมนัสพลอยอนุโมทนาขนาดมีผลเปลี่ยนแปลงในทางทิศอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างของเทวดา ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นคือเทวดาที่อยู่ใกล้วัดใกล้พระดีและมีใจปกป้องมีน้ำจิตอนุมโมทนากับบุญที่เกิดขึ้นในวัดทุกวันอย่างนี้รัศมีจะสว่างรุ่งโรจน์แตกต่างจากเดิมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัด